หนาวกันไหมบางทีก็บางคืนก็นอนอุ่นเนาะบางคืนก็นอนหนาวบางช่วงก็เดินร้อนบางช่วงก็เดินหนาวก็เป็นรสชาติของ ของชีวิตเนาะให้มองเป็นแบบนั้นแล้วกันนะบางทีถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีทุกอย่างมันสบายหมดนะมีแอร์ก็ข้างนอกจะร้อนข้างนอกจะหนาวเนี่ยปรับได้หมดเลยนะสบายเนะี่ยมีผ้าห่ม <c oughs> มีเสื้อกันหนาวเต็มที่นะหนาวขนาดไหนก็ใส่เยอะๆนะห่ม นานานะหรือร้อนมากๆก็มีน้ำให้อาบนะมีพัดลมมีแอร์ปับอากาศปรับความร้อนคือบางทีชีวิตสมัยใหม่นะมันไม่ค่อยได้เสะเทินน้ำเสะเทินบกเท่าไหร่นะเราอยู่กับความที่เราคิดว่าทำให้มันสบายที่สุดนะนะมันก็จะได้เรารู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องทน ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์นะแต่พอหลายคนพอใช้ชีวิตแบบนั้นนานๆนะมันจะกลายเป็นความติดใจกลายเป็นความติดใจแล้วก็กลัวความยากลาบากนะกลัวความร้อนกลัวความหนาวนะหลายคนจะเป็นแบบนั้นแต่พวกเราเองก็เป็นคนที่กล้ามาไปเชิญนะเนี่ย กล้ามาเผชิญกับความยากลําบากนะเผชิญกับแดดที่ร้อนนะเผชิญกับนะอากาศที่หนาวนะเผชิญกับสภาวะที่เราไม่สามารถคาดการได้ว่าเราจะเจออะไรในทางที่เดินหรือว่าในที่ที่พักเนาะอันนี้ก็คือเราเปิดใจที่จะเรียนรู้เนะมื่อเราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะนะ ร่างกายเขาก็จะค่อยๆปรับนค่อยๆทนค่อยๆเคยชินกับสภาพอากาศที่ที่เขาอยู่ได้เราก็ลองคิดดูนะอย่างทำไมคนเมืองหนาวนะอยู่ในที่มีหิมะที่ที่อากาศติดลบเยอะๆนะเขาก็อยู่กันได้หรือคนที่อยู่ในแอฟริกาอยู่ในประเทศที่ร้อนมากๆ สี่สิบห้าสิบองศาน ะ, ขะาาเขาก็อยู่ได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเองก็มันก็มีเครื่องมือช่วยนะตนส่วนหนึ่งก็คือสภาพร่างกายที่ที่ปรับตัวช่วยด้วยนะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อีกแบบนึงเหมือนกันนะท่านตัดว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยก็เป็นมงคลอย่างหนึ่ง ประเทศอันสมควรนะี่เทศประเทศไทยของเราเนี่ยร้อนก็ไม่ร้อนมากเกินไปหนาวก็ไม่หนาวมากเกินไปนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศอันสมควรนะอืมก็ไม่เคยอ่านในพระสูตรนะว่ามีพระอรหันต์รูปไหนบรรดุธรรมตอนนั่งกลางหิมะมีไหม <c oughs> อือหรือว่าอ่ ไปตากแดดนะเพือ่อเพื่อนั่งบำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรทุธรรมตรงนั้นกนะ็<อ>ไม่มีนะหรือใครเคยอ่านแล้วมีแต่ก็เคยมีนะมีถ้าจำแต่ จ, จาชื่อไม่ได้นะเป็นเป็นมเหสีของพระเจ้าเปรติโกสนนะอ่าพนางกับบริวาลโดน โรมาเหติองค์หนึ่งนะวางคล้ายๆวางแผนไปคังไว้ในบ้านแล้วก็จุดไฟเผาแต่พระนางเองก็ก็เป็นพระอริยบุคคลอยู่แล้วขณะที่ถูกไฟเผานะก็ก็ตั้งจิตมั่นคงในการที่จะเจริจเจรเดินในธรรมนะนะ ก็พิจารณานะพิจารณาถึงลูกที่เปลี่ยนไปพิจารณาถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจไปด้วยแม้โดนไฟเผาไปแต่ท่านก็นะ่บนรรลุ ธ, ธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนพระ น, นางก็น่าจะได้เป็นพระอารหันต์เลยหรือพระอนาคานเนี่ยแหละประมาณนั้นหรือว่าส่วนบริวานเองก็ด้วนแต่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไป ทั้งนั้นอันนี้เพราะอะไรอันนี้เพราะว่าแต่นั้นคือเขาโดนไฟครอบโดยที่เป็นเหตุการณ์บังคับนะแต่ถ้าคนที่มีสติมีปัญญาก็สามารถเอาสภาวะที่ร่างกายมันทุกข์มันร้อนขนาดนั้นนะเจอกันทั้งเปลี่ยนเปลี่ยนจากความทุกข์ของกายนะกลายเป็นความพ้นทุกข์ทางใจได้นะ นี่ก็เป็นสภาวะที่มันโดนบีบคั้นเนาะแต่จริงครูบาอาจารย์สมัยก่อนเวลาท่านทุดงเองท่านก็พยายามหาที่สัพยะนะที่สัพยะคือที่ที่มันมันพอเหมาะนะเช่นหาถ้ำนะไปถ้ำก็จะเป็นที่ที่ปรับอากาศได้ดีเนาะนี่กลางคืนก็ไม่หนาวนักกลางวันก็ไม่ร้อนนะัก เนี่ยคือท่านก็หาที่ที่สั ป, ปะยะเพื่อเพื่อภาวนา อ, อันนี้หาที่ที่ใกล้ลำธารเพื่อจะได้มีน้ําฉันนี่ยหาที่ที่มีต้นไม้เพืได้นั่งบำเพ็ญเพีย<ๆ>รภาวนานอันนี้คือก็อุบาาจารย์ท่านก็ดําเนินแบบนี้นะท่านก็หาที่ที่สั ป, ปะยะเพราะว่าท่านเห็นว่าสั ป, ปะยะสถานเนี่ย ก็ ม, มีส่วนเอื้อในการภาวนาะน่ะอืทัพยะคือชชที่ที่เหมาะสมแต่ถ้าที่ไหนมันมันหนักเกินไปไม่ว่าจะร้อนเกินไปหนาวเกินไปถ้าจิตใจเราอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ก็ยากที่จะนะยากที่จะแบบแยกออกมาได้นะในความทุกข์ของกายกับกับความทุกข์ของใจดนะังนั้นนั่นเราก็ดู แล้วก็แต่เราเองก็ก็ต้องเปิดใจแหละนะบางที่เราเลือกได้เราก็เลือกบางที่เราเลือกไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจเอานะนี่สิมันมันก็เป็นการเดินทางนะการเดินทางของเราเกินในขณะที่เดินทางเนะี่ยเราก็พยายามสังเกตดูกายสังเกตดูใจเนี่ยนะ แล้วแต่ใครจะถนัดนะแล้วแต่บางสภาวะบางทีก็เลือกไม่ได้นะบางทีเราก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นก็ไม่ต้องไปจับส่วนในส่วนหนึ่งก็เห็นไปแบบ ร, รวมหรือเห็นแต่สักแต่ว่ามันจะอะไรมันจะเด่นอะไรมันจะชัดเราก็ดูมาตรงนั้นนะในส่วนของกายบางคนก็เห็น การเดินเป็นหลักบางคนก็เห็นการหายใจเป็นหลักนะบางคนก็เห็นความปวดเมื่อยเป็นหลักก็ได้หรือบางคนจิตมันสนใจดูจิตนะมันสนใจดูสภาวะความปกติสภาวะการผิดปกติไฟของจิตนะก็ดูมันไฟนะดูดูมันเคลื่อนเข้าดูมันเคลื่อนออก ดูมันไหลออกไปดูมันกลับมานสิ่งสําคัญคือการเป็นผู้ดูนั่นแหละนะไม่ว่าเราจะดูกายหรือดูจิตนะดูด้วยความเป็นกลางหรือ ด, ด้วยความไม่แทรกแซงมันนอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นมันนะแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางแต่เราคิดจะแทรกแซงอะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกอยากนะ อยากก็มันจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะเนี่ยเราต้องมีความอยากนะพออยากแล้วพอได้สิ่งที่ปรารถนาเราก็เลยพอใจพอเราอยากได้สิ่งที่ไม่ปรารถนาเราก็เลยไม่พอใจชเนี่ยเราก็เห็นอ๋อเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจเห็นความพอใจเกิดขึ้นเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นนเอ ความพอใจความไม่พอใจเนะี่ยมันก็เป็นอาการนะแต่ถ้าเราไปยึดมันไว้เนะนี่ยเช่นพอมันพอใจพอเจอสิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นมามันจะทุกข์เช่นเราเดินใต้ต้นไม้นะโอ้เราพอใจมันมันร่มเย็นดีแต่ถ้าเราไปยึดอาการแบบนี้ไว้นะพอเราออกจากต้นไม้เนะเราก็จะทุกข์เพราะว่าไม่พอใจที่มันไม่ร่มแบบนี้นะอืม พอเราพอใจเดินทางราบพอจะขึ้นเขาเราก็ไม่พอใจละที่มันขึ้นเขาคือพอใจอ่ะก็พอใจได้แต่อย่าไปยึดมันพอใจที่มันร่มพอใจที่มันราบแต่ถ้าเราลงไปยึดมันมันจะเกิดกายเป็นความไม่พอใจขึ้นมาเรารู้ว่าเดินแบบนั้นมันสุขเดินแบบนี้มัน มันสบายนะแต่สิ่งสาคัญคือเราอย่าไปหลงยึดมันไว้นะอหรือไม่แต่ความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจนะเราก็รู้นะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามไม่ได้โดยธรรมชาติที่มันจะเหนื่อยมันจะทุกข์นะเวลาเจอแดดร้อนเวลามันขึ้นเขาเวลาทางมันยากลําบากร่างกายมันก็รู้สึกเหนื่อยกว่าปกตินะ ก็อาจจะส่งผลต่อใจที่รู้สึกว่าขบวน็วายนะมากกว่าปกติแต่เราก็คอยตามรู้มันตามรู้มันมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ดูมันดูเพื่อเห็นอะไรดูว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะ ร่างกายเองก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ทุกมากเดี๋ยวก็ทุกน้อยนะเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็หายเหนื่อยดมหายใจเองก็เหมือนกันบางทีก็หายใจแรงบางทีก็หายใจปกติบางทีก็หายใจเบาไม่แต่ตัวเราเองกับสัมภาระเองก็เหมือนกันนะบางครั้งก็รู้สึกหนักเหลือเกินบางครั้งรู้สึก เบาเเกินนะดูมันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยน ะ, นะความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนะแม้วัตถุมันจะเท่าเดิมนะโดยน้ำหนักของตัวเองโดยน้ำหนักของสัมภาระก็เท่าเดิมแต่ความรู้สึกที่เราให้ค่าหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกได้เนี่ยมันแตกต่างกันนี่เห็นตรงเนี้ยแะ เห็นมันไม่เที่ยงนะเห็นมันไม่เที่ยงแล้วพวกนี้ควบคุมไม่ได้นะไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยควบคุมไม่ได้มันคือความเป็นอนัตตามันคับปัญชากำหนดไม่ได้จะกำหนดให้ปกติตลอดก็ไม่ได้นะบางทีจิตก็ไหลไปดูบางทีจิตก็ไหลไปฟังบางทีจิตก็ไหลไปคิดบางทีจิตก็ไหลไปสงสัย แต่ให้เราเห็นนะเห็นใจเวลามันเป็นปกติเป็นแบบไหนเห็นจิตที่มันไหลไปนะเห็นต้นไม้เห็นํำทานเห็นดอกไม้คอยหมั่นดูจิตที่เราไหลไปนะแต่ถ้าเราไม่หมั่นไม่คอยดูนะเราจะเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นอะไรบางทีก็บางทีก็ปรุงแต่งเป็น ชอบเป็นไม่ชอบบางคนก็ปรุงแต่งเป็นวิภาควิจารณ์วิเคราะห์นะตีความให้ค่าต่างตนะ่างให้ความหมายที่จริงถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเนะี่ยมันก็จบนะแต่บางทีบางทีความคิดมันก็เร็วนะเนะ่ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ให้ค่าอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ย นะมันมันจะเกิดขึ้นเร็วมากถ้าเรารู้ทัน่ะเราจะเห็นอเนืเห็นแล้วก็จบเห็นแล้วก็จบไอ้ที่เป็นข้อเท็จจริงก็ส่วนหนึ่งเราก็เห็นนะ่นะะแต่ให้ระวังไอ้สิ่งที่เป็นการปรุงแต่งเนะีนะ่ปรุงแต่งด้วยความสงสัยก็ดีปรุงแต่งด้วยความอยากรู้ก็ดีหรือปรุงแต่งด้วยการเราคิดคาดเสน่ห์เองก็ดีนะเอนะ คาดคะเนว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็คือความที่จิตเราเผลอไปปรุงแต่งเนี่ยต้องต้องดูนะจิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยจิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเราก็ดูมันนะดูเป็นผู้ดูมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะไหลเป็นเรื่องของมันนะแต่ถ้าเราสติเราตั้งมั่นเรามั่นคงนะมันจะไหลออกไปสักแวบ มันก็จะกลับมานีน่มันจะเห็นว่าแม้แต่ความเป็นปกตินะก็รักษาไม่ได้นะสติจะให้รักษาให้เกิดตลอดก็ไม่ได้สมาธิจะให้มันคงตลอดก็ไม่ได้นั่แต่เมื่อมันไหลไปมันเผลอไปเรารู้ทั น, นใจก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะเราก็ดูอันนี้เรียกว่าเดินดูใจไปด้วยนะ หรือบางคนก็จะเดินดูกายก็ได้นะถ้าเราดูด้วยสภาพเป็นผู้ดูจริงๆนะดูแล้วก็นะไม่ไปจดจ้องที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะหรือไม่เพ้อไปคิดปรุงแต่งส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการมีสติดูดูกายไปก็ได้นะนะอันนี้คือในในระหว่างที่เราเดินทางนะเราก็พยายามดูแบบนั้นแหละนะ การพูดคุยนะให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเราจะเห็นตัวเรามากที่สุดนะแต่ถ้าเราพูดคุยกันมากเราก็จะนะี่ยใช้ความคิดมากนะนะก่อนพูดมันก็ต้องคิดเนะี่ยฟังเขาก็ต้องคิดเนะี่ยหรือบางทีก็ตอนไม่ได้พูดกับใครเราก็คิดเราก็พูดกับตัวเองในใจเนะี่ยก็คือความเผลอความหลงไปเนาะ แต่ก็ให้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนะอ่าเป็นสอนตัวเองสอนตัวเองแต่จริงในขณะที่เดินทางนะอ่ยพยายามคิดถึงคำพระพุทธเจ้า บ, บ่อยๆนะหลวงพ่อคำเขียนก็ชอบพูดแบบนี้ บ, บ่อยๆนะบอกเนี่ยลักษณะคนเกียรติค้านคืออะไรคนที่อ้างว่าร้อนนะักคนที่อ้างว่าหนาวนะ <c oughs> นักเอี คือเราถ้าเราไปอ้างว่านี่ร้อนนักไม่ทำความเพียรหนาวนักไม่ทำความเพียรเนี่ยหลวงพ่อเพา่เขียนมาบอกเป็นลักษณะของคนเกียดต้คานอะนนั้นบางทีแม้เดินร้อนนักนะก็จะอ้างที่จะไม่รู้สึกตัวก็เป็นลักษณะของความเกียดติาร น, นะ หรือหนาวนักเนะี่ยก็จะอ้างว่าเ uh. นาจจี่ยหลงไปขี้เกียจไปก็เป็นลักษณะของคนเกียจคร้านด น, นั้นเราก็ต้องต้องเคียนตัวเองนิดนึงนะเนี่ยนะ uh. uh. ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเราแพ้หรือว่ารู้สึกว่าเราอืม uh. เอาความร้อนความหนาวมาเป็นข้ออ้างนะนะ uh. เราก็ต้องเคียนตัวเองนิดนึงเออ ขี้เกียจไปแล้วนักเานาเนี่ก็ต้องเคียแตเองนิดนึงนี่แต่จริงความร้อนความหนาวมันก็เกิดขึ้นจริงนั่นแหล ะ, ะแต่เราจะทำไงให้เราดูกายดูใจขนาดที่มันร้อนมันหนาวไปด้วยตอนนั้นได้อันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เราออกจากความเคยชินเก่าๆมาสู่ เนะสิ่งที่คาดการไม่ได้เนะี่ยมันจะเป็นการเปิ ด, ปดการรับรู้เปิดการเรียนรู้เนะี่ยสติมันก็จะอ่ยเรียนรู้กับสิ่งที่มันคาดการไม่ได้เนี่ยแหละนะมไม่แต่สติเองก็กําหนดไม่ได้นะแล้วก็แต่เราก็ต้องคอยมันฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆนะนั้นการเดินทางมันก็จะเป็นการ การที่เราไม่ได้เพียงแค่ได้ผ่านเส้นทางต่า ง, างๆนะวันละลายศีกิโลเมตรหรือว่าได้เปลี่ยนที่พักนะเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่บินธบาตเท่านั้นนะแต่เราจะได้เห็นสภาวะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงภายในใจนะสภาวะร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงภา ย, ยในร่างกายนะเราก็จะเห็นมันนะมันก็จะเป็นการมี ส ต, ตินสะ ต, ติดูกายส ต, ติดูจิตนะมันก็จะเป็นจิตมันก็จะดูจิตของมันได้เองก็มีนะเนะี่เราก็คอยดูประภวักตรงนี้นะก็ฝากไวนะ้